สอบเข้ามาวทยาลัยแต่ว่าไม่มีเงินเลยเงินไม่พอใช้ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าจับนกพิราบ น, นกพิราบนี่แถวว่าสุท ธ, ธั์แถวสาวิงชาเนี่มันเยอะมากนะเป็นร้อยเลยจับนกพิราบเอาไปขายนะ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 กระสอบนี่แหละกระสอบที่ใส่นกเนี่ยมันนกมันหายไปไหนใครเอาเงินมาใส่ไว้แทนห้าร้อยบาทก็พยายามสอบถามสุดท้ายก็ได้คำตอบนะเป็นหลวงพ่อองค์หนึ่งนะตอนนั้นท่านก็ชลาแล้วท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยนะเป็นคนปล่อยนกเองนะแล้วก็เอาเงินใส่เข้าไปแทนท่านก็บอกว่านี่ไม่อยากจะเห็น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 หลวงพ่อได้เป็นคนฉลาดกระอาจางนั้นก็ทราบซึ้งในในบุญคุณของหลวงพ่อมากแล้วก็นับถือมากว่าเนี่ยท่านช่วยมาแต่ท่านไม่เคยเปิดเผยตัวตเก็บเอาไว้ตลอดนะไม่เคยแพ่งพプายถ้าแพ่งพプายนี่ก็เสียชื่อนะเพราะว่าเด็กวันนี้จับลกในวัดไปขายนี่มันมันแย่มากท่านก็ไม่พูดนะเพราะท่านรู้ว่าพูดไปเดี๋ยวเด็กคนนี้คงจะ เสียผู้เสียคนหรือว่าไม่มีทางกลับตัวได้าการช่วยคนเนี่ยนอกจากจะต้องอาศัยเมตตาแล้วต้องอาศัยปัญญาด้วยนะถ้าไม่มีปัญญาในการช่วยก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาหรือว่าถ้าไม่มีความอดทนมั่นคงหนักแน่นก็จะมีความโกรธนะโกรธเด็กคนนี้นะว่ามันมันทำชั่วนะเด็กวันนี้มาเอานกไปขายนี่แย่มาก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 ตัวเองก็กาลังจะตายแล้วแต่ไม่ยอมยื่นมือมานัสโรดินรู้นะว่าเป็นพ่ออะไรนัสโรดินก็ไปไปช่วยแล้วก็บอกว่าแทนที่จะบอกว่ายื่นมือมาแกบอกว่าคว้ามือฉันสิคว้ามือฉันสิบล้วก็ไปหมอนั่งคว้าเลยนะแล้วก็นัสโรดินก็เลยช่วยพ่อค่าคนนั้นได้คนก็แปลกใจว่าทําไมนัสโรดินช่วยได้สําเร็จนะคนอื่นช่วยไม่สําเร็จนัสโรดินก็บอกว่าเนี่ยพ่อค้าคนนี้เนี่ยมันเป็นคนงกเป็นคนตันนี